ใความตรัสรู้ธนิยะเทระอยคู่พระศาสนาพระราชสังวรยาณพระท่งน้อมวรรทาญาญอย่างว่าสิ้นโลกมายัางเหลือธรรมประวัติย่อพระราชสังวรยานพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันอำเภอเมือง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 จึงบอกกับยมพ่อด้วยถ้อยคำอันเศร้าส้อยว่าพรเอ้ยเจ้ายังหนุ่มยังน้อยอยู่เจ้าไปซะไปหาเมียใหม่ที่ไหนก็ได้ลูกสาวพ่อมันเป็นบ้ารักษาไม่หายเสียแล้วในที่สุดยมพ่อก็จำใจจากตระกูล น, นั้นไปด้วยความอาลัยอาวร์เมื่อท่านได้จากตระกูล น, นั้นไปโดยการไม่นานนักท่านก็มาหวนคิดถึงเราผู้เป็นบุตรชายตัว น, น้อย เพียงคนเดียวเมื่อท่านคิดดังนั้นจึงหวนกลับไปรับเรามาอยู่กับญาติห่างๆที่อำเภอจงคอยจงังหวัดสระบุรีอยู่ต่อมาอีกไม่นานนักยมพ่อป่วยเป็นไข้ามาลาเรียอย่างหนักและในที่สุดท่านก็ตายจากไปขณะนั้นเราอายุได้เพียงสี่ขวบด้วยเดชแห่งบุญซ้ำกรรมซั์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 ที่เป็นไม้ตายซึ่งผู้ใหญ่ใช้กันไม่มีวันจบสิ้นนั้นก็คือระวังนะอย่าร้องไห้เดี๋ยวเสือมันจะมาคาบคอหลับเถึงหน้าหลานน้อยถ้าไม่หลับผีจะมาเอาตับไปกินและอย่าร้องไห้เสียงดังประเดี๋ยวผีป่ามันจะได้ยินด้วยคำขู่เพียงแค่นี้ทำให้น้ำตาเราไหลพรากอาบแก้มแต่เสียงร้องจากกิมผีปากไม่มีแม้แต่น้อย ส่วนภายในใจนั้นก็โอดครวนอยู่ตลอดการเดินทางเป็นอยู่อย่างนั้นจวบจนกระทั่งถึงบ้านโคกพุทสาตำบุญตาเนืง้งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครณ ห, หมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่พระกรรมฐานแวะเวียนพุดโดงผ่านมาพักภาวนานอยู่บ่อยครั้งและในเขตรัศมีไม่ห่างไกลกันนักก็เป็นป่าช้างดงเสือมีแม่น้าลาทาน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 ู่ผู้บการะเรี้ยงดูต้องมีอันตายจากไปอีกเราจึงอาศัยอยู่กับย่าแจ่และอาซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่ตอนนั้นช่วยอาทำนาแต่ละปีละปีทำด้วยความขยันขันแข็งในข้าวท่วมหัวท่วมกล้าวหมู่บ้านนับร้อยเจ็บเงินมารวมกันได้ไม่ถึงพันบาทแต่อยู่กันได้อย่างสบายเพราะในน้ามีปลาในนามีข้าวในสวนมีผัก ในท้องฟ้ามีหมูนกนอกจากนั้นยังเลี้ยงไหมทอป้ายมองไปใต้ถุนบ้านมีเล้าหมูเล้าเป็ดเล้าไก่ทอดสายตามองออกไปท้องทุ่งมีฝูงวัวฝูงควายและหุ่นไล่กาที่กลางแขนรามองไปข้างบ้านเห็นยุงข้าวบางวันยังต้องซ้อมข้าวสารหาไปขายหาเงินเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดไสทองบ้านเล่า เป็นเด็กนักเรียนไม่เคยได้ใส่เสื้อผ้าที่เขาตัดขายใส่แต่เสื้อผ้าที่เย็บเองนุ่มกางเกงขาก้วยไว้ผมจุกทำงานช่วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กเริ่มรู้สึกสำนึกตัวตั้งแต่รู้เดียงสาว่าชีวิตมันช่างทรมานมันเครียดแฉนความจนความไร้พ่อแม่ชีวิตของเราว่าไปแล้วมันน่าสงสารถ้าลูกหลานมีมานะที่จะสร้างตัวเอง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 ไม่มีเวลาไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วไปถ้าขี้เกียจขี้คร้านจะถูกคนเขาดูถูกเกียดหยามกลางวันฤดูฝนต้องทำนาแข่งกับเสียงฟ้าคำรามฟ้าเปเลวแดดลมฝนกลางคืนหาปูหาปลาหากบหาเขียดนอนดึกลุกเช้าลุกขึ้นมาตาข้าวด้วยครบกระเดื่องเกือบจะทุกวันจนชาวบ้านเขาเล่าเลือกันว่า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 ยามไร้ที่พึ่งเป็นประหนึ่งควายเปลียวตาบอดสนิททั้งสองข้างสมสารอยู่ในป่ารกรังแต่จะซุกซ่อนเข้าไปในสุมทุ่มพุ่งน้ำเวลาพบคล่ำต้อนควายเข้าคอกไม่ได้กลับตัวเปล่าๆต้องหาบคอนไม้ฟืนมาด้วยถึงบ้านกุลีกุจอักน้ำหาบน้ำใส่ตุ่มใสหายถ้าภาระอื่นใดไม่มีจึงนึ่งข้าว ชีวิตวันวันมีอะไรให้ทำเสมอไม่น่าเบือ่อเป็นเด็กกาพร้าอนาถาอยู่กลางบ้านจะขึ้นบ้านผู้ใดเขาก็ปิดประตูบางทีญาติผู้ใหญ่เห็นเราก็ดุฟูฟ้าฟูฟ้าบางทีกินข้าวอยู่ดีๆเขาไล่ออกจากสำรับคล้ายๆกับว่าเขากลั่นแกล้งเวลาขำเมืดไล่ให้ไปต้อนบัวต้อนควายเข้าคอกเราอายุ12ถึง13ปี มันก็เกิดความกลัวบริเวณบ้านที่อยู่เป็นป่าช้างดงเสือทั้งนั้นถ้าชวนน้องๆไปด้วยเขาก็จะดุด่าว่ามึงเกีียงเหรอใช้งานแค่นี้ไม่ได้มึงหนีออกจากบ้านกูเราคุกเข่านั่งลงต่อหน้าที่หลานบ้านกราบกรานวิงวอนพร้อมทั้งน้ำตาว่าแม่อ่ผมขอเวลาอยู่อาศัยอีกเพียงหเดือน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 บุคคลผู้ช่วยเหลือเพื่อนในยามเพื่อนตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจป ร, ราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกคนเช่นนี้ว่าคนดีในโลกเราชิดฝังใจอยู่เสมอว่าพระคุณของบิดานมารดาและคุณของท่านผู้มีคุณทั้งหลายสำคัญที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามาตาปิตุอุปท า, านการอุปถาบิดามารดา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 เราตกใจร้องลั่นสะดุ้งตื่นกลัวทุกทีประเดี๋ยวร้องประเดี๋ยวร้องเวลาตื่นขึ้นมาแม่อาจะจะถามว่าร้องทำไมราคาญก้อนหินมันจะกลิ้งมาทับหัวผมผมกลัวเมื่อเราร้องหนักเข้าจะชักจะรำคาญเห็นมิตโตกูนี่จะสับหัวมึงที่หลังมึงอย่าร้องสิเสียงแม่อาตวาดอย่างดัง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 หุดบิดามารดาผู้จะวายชนสั่งลาบุตรทดาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วบวช ด, ด้วยดวงใจที่ชื่นบานเหมือนดังว่าเด็กน้อยผู้ยากไร้ขอทานอยู่กลางถนนได้พบบอมหาสมบัติอันเลิอดลำ้ำเขาจะดีใจและลิงโลดสักปานใดท่านเอ้ยบุคคลพึงสละคนคนเดียว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 นึกๆแล้วก็เศร้าเมื่อเราเทศไปชีวิตเรานี้ก็ถูกพรัชพรากเหมือนกันหาชาลีพระกุมารพระกุมารีน้อยในเรื่องพระเวสสันดร น, นั้นในสมัยเป็นสามนเณร น, น้อยอยู่นั้นมีเพื่อนสามนเณรที่รักกันมากอยู่คือสามนเณรมานิสปัจจุบันคือพระกูยันวิกิตมานิสุรปัญโยวัดประชาอุทิศอำเภอคำเคือนแก้ว จังหวัดยะโสธรและสามเณรวันปัจจุบันคือพระอุดมสังวรคุณวันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนครได้มาร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันคือวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเป็นลูกศิษย์ของพระอริยคุณาทานเสงปุตโสเราทั้งสได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมร่วมกันมาและได้ปฏิญญาณตนว่า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 ท่านก็ให้ปีนขึ้นต้นไม้ตะโกนเรียกชาวบ้านเรียกพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายการเดินทุ่ดงจนล่วงเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดอุบลจึงแวะเข้าพักที่วัดบุรพารามท่านจึงฝากเราไว้ที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลได้อยู่กับหลวงตาพรสุมโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสากันตะศิโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเมื่ออยู่ที่วัดบุรพาราม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 จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระาศาสนดิโลกเสนชิตะเสโนเป็นพระอุปชาสมัยเป็นสามนเณร น, น้อยเป็นลูกศิษย์รับใช้หลวงตาพรเพื่อนเพื่อนสามนเณรเขาเป็นลูกศิษย์พระมีชื่อเสียงเขามีผ้าดีๆมีสบู่เลวใช้ส่วนเรามีแต่สบู่สันไหลพอถึงวันโกนวันพระเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนสามนเณรจะไปโปรดยมพ่อยมแม่ เราไม่มีพ่อมีแม่ก็ไปโปรโดโยมที่อุปถากมีเพื่อนไปด้วยเพื่อนสั ม, มเนนกลับมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเนนพุทนี่เทศเจ๊งเจงตอนเป็นสั ม, มเนนพระอาจารย์สั่งให้เฝ้ากุฏิพอท่านมาปลุกปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจนกระทั่งท่านเตะเอาอย่างแรงจึงตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วท่านจึงถามว่าหลับหรือเปล่าเนน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 คนที่ปฏิบัติสมาธินี้ถ้าจิตอยู่ในสมาธิละเอียดถึงอัปปนาสมาธิฟ้าผ่าลงมามันก็ไม่รู้เรื่องจับไปถ่วงน้ำก็ไม่สำลักน้ำตายโยนเข้ากองไฟก็ไม่รู้สึกตัวพระอาจารย์ทิเตหันมาพยักหน้าพูดว่าเออเนนน้อยที่เจ้าว่าความรู้สึกเมื่อยมันไม่มีแม้แต่ร่างกายมันก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาเมื่อเน่าเนนนะ เราได้มีโอกาสอุปถักรับใช้หลวงปูเ่เสาตอนนั้นอายุได้17เปีขวัดปฏิบัติที่องค์หลวงปูเ่เสาพร่ำสอนยังติดตาตรึงใจเสมอมาลักษณะนิสัยของหลวงปูเ่เสาท่านชอบก่อสร้างชอบปลูกพลิกหมากไม้ลักษณะจิตเยือกเย็นมีธรรมะวิหารีทำจิต ด, ดุดแผ่นดินมีเมตตาเป็นสาธารณะเป็นคนพูดน้อย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 ยังเอาตลับสีพึ่งสายหญ้ามาด้วยมันจะไปได้อย่างไรกันหลังจากนั้นก็จับมัดติดกับก้อนอิดปาทิ้งลงแม่น้ำมูลเลยวันหนึ่งทำภารกิจเสร็จแล้วกําลังจะเดินไปล้างบาทตาเหลือไปเห็นหมาชี้เรือนตัวหิวโซเดินโซซัดโซเซเจียนตายเกิดความสงสารจับใจมองดูเข้าในบาทก็หมดเพราะครูบาอาจารย์สอนไว้ว่า ทำเนียมพระธุดงจะฉันให้หมดบาทเสมอไม่ให้กินทิ้งกินคว่างมองหาอาหารรอบทิศก็ไม่เห็นมีอะไรพอที่จะประทังความหิวกระหายของหมาขี้เือนตัวนั้นได้เจ้าหมาน้อยที่น่าสงสารก็ใกล้จะหมดเรี่ยวแรงเต็มทีเมื่อหมดหนทางก็นึกขึ้นได้ว่าอาหารเพิ่งฉันมาใหม่ๆพอจะเรียกคืนมาให้เจ้าหมาน้อยได้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 เลยเอาชื่อมันมาบริกรรมภาวานาสนเสลยเมื่อจิตมันอยู่ของที่แล้วคำว่าประยุลประยูนมันก็หายไปหนักๆเข้าร่างกายตัวตนของเรามันก็หายไปพอจิตสงบเกิดในมิจภาพแม่ประยุนปรากฏขึ้นมาพิจารณาว่าผมสวยผมเธอก็หลุดร่วงโรยไปว่าตาสวยตาเธอก็หลุดออกไปนึกว่าคนสวยนี่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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นและพริยาเป็นเจ้าภาพบวชให้บวชเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2485ณพระอุโบสถวัดปธุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพโดยมีพระปัญญาพิสารเถรหนูธิตปัญโยเป็นพระอุปชาพระครูปทุมธรรมธาดาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระประหลัดบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าฐานิโยแปลว่าผู้ตั้งมั่นในธรรม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 หายวันหายคืนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าวันนรคหรือโรคอะไรต่างๆที่เคยเป็นมามันหายยังกับปลิดทิ้งจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราเคยใช้พลังกิตเพ่งหลอดไฟแตกเพ่งจิงพยมหักเพ่งต้นมะพร้าวหักจนกระทั่งหลวงปู่ฟั่นต้องเตือนว่าเป็นอาบัตเราแย้งท่านว่าไม่ได้หักด้วยมือจะปรับอาบัต ด, ด้วยหรือหลวงปู่ฟั่นท่านบอกว่าเมื่อมีเจตนา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 ท่านไปเรียนมนมาจากไหนดีนักหนาะเราจึงตอบว่าก็บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจเจริญเมตตาพรหมิหานั่นแหละสำหรับท่านเออาอะไรอะไรก็มีแต่ท่องมนไลผ่ผีไลผ่ผีไปที่ไหนก็ไปประกาศความเป็นศัตรูต่อเขาแทนที่จะประกาศความเป็นมิตรพระพุทธเจ้าของเราสอนให้สร้างความรักความเมตตาปรานีต่อกันไม่ใช่หรือท่าน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 พระอาจารย์เทศเทศลังสีเป็นต้นดังนั้นเสนาส น, นะถาวรวัตถุมากหลายภายในวัดแห่งนี้จึงเป็นรอยจารึกที่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำมาทั้งนั้นเราอยู่เป็นเจ้าวาดวัดแสนสำราญ15ปีได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูพุทธิสารสุนทรเป็นเจ้าคณะอำเภอวารินชาราบชาวจังหวัดอุบล น, นิยมมาทาบุญปฏิบัติธรรม และปิดทองรอยพระพุทธบาทที่วัดแห่งนี้ครูบาอาจารย์ที่สําคัญนิมนต์ท่านมาแสดงทาในงานเช่นท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโรหลวงปู่ดีฉันโโนพระอาจารย์พันปาเรเซสโกพระอาจารย์หลุยจันดษารโรพระอาจารย์ชอบฐานะสโมหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่บุญมีโจติบาโลหลวงปูผ่ผางจิตตกุตโตพระอาจารย์ชาสุภัทโท พระอาจารย์ล่าเขมาปัตโตเป็นต้นในขณะที่เราอยู่จำพรรษาที่วัดแสนสำราญนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากหลายเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีและถูกทาคุณใสหวังจะเอาให้ตายหลายครั้งมาอยู่ทีแรกกุฏิจะพังแหลบบิพังแหลบเสื่อนอนหมอนนุนหัวก็ไม่มีฉันเข้ากับน้ำเปล่าๆ เ, เ, เทระคนกันลงในบาทพวกพระที่อยู่เก่าเห็นเรามาเป็นเจ้าอาวาสอิจฉากลั่นแกล้ง บางทีเราเดินอยู่ในวัดก็ตะโกนส่อเสียดว่าจะเอาพระอย่างนี้หรือมาเป็นสมภารพระหลวงตารูปนั้นแกอยากจะเป็นสมภารแต่ไม่ได้เป็นจึงผูกใจเจ็บวันหนึ่งเราได้มีโอกาสแสดงธรรมเมื่อเราแสดงธรรมจบรงญาติโยมทั้งหลายเขาก็โจ์ขานกันใหญ่ว่าพระองค์นี้เทศสอนแล้วกิดเราเป็นสมาธิได้ไหนเล่า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 และยังมีเรื่องน่าเป็นคติอีกเรื่องหนึ่งคือเราได้เด็กอายุห้าขวบเป็นอาจารย์ใหญ่วันหนึ่งเด็กน้อยมันเดินตามหลังแม่มันมาใส่บาทพอเห็นเราเข้าก็มองหน้าเล็กๆชี้หน้าพลางพูดว่ามึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระดอกทีแรกงนเหงิดจะโกรธมั น, น, มนพอรู้สึกว่าจะโกรธจึงนึกขึ้นได้ว่าอ๋อถูกข้องมันนี่เราไม่ใช่พระถ้าเป็นพระจาโกรธสิ เราจึงถือเอาเด็กน้อยนี้เป็นอาจารย์ใหญ่วันนั้นถ้าว่าเป็นวันสวยก็สวยชิบหายถ้าว่าเป็นโชคก็โชคดีไปหลังจากไอ้เด็กน้อยชี้หน้าด่าก็เดินเที่ยวบินธบาตมาถึงปลายทางจะเข้าวัดในระหว่างนั้นมีผู้หญิงแขกคนหนึ่งเธอขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเสียหลักจะชนกับรถยนต์เธอจึงหักหลบฉลับขึ้นไปบนเนินดินซึ่งเรากาลังเดินอยู่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 ขนาดเรามีความตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่พอถึงเวลามันอยากสึกขึ้นมาถึงกาหนอนร้องไห้เอา้าอะไรที่เราอยากเราจะไม่เอาจะเอาที่มันไม่ชอบที่สุดนั่นแหละโยงอุปถาของเราคนหนึ่งชื่อหมอไมเคลิลและดรประจบบุญนาคอรัธนาให้เราสึกไปเป็นลูกหมอไมเคลิลจะยกร้านขายยาให้ส่วนท่านรัฐมนตรี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 โบราณจึงพูดเป็นคำพังเพยไว้ว่าอุปสรรคคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชูกำลังในพรรษาที่ 27-28 ถึงพุทธศักราช 2511-2512 ้เถึงรเราได้ย้ายปรปจำพรรษาที่วัดหลวงสุมังคารารามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเจตเพราะได้รับอาราธนานิมนต์จากพระเถรระผู้ใหญ่ให้มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเจด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 ให้หลังต่อมาเห็นเราได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาภิสารเถรมาเห็นผลงานที่วัดป่าสารวันว่าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพียงไรนี่แหละโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าไม้ล้มจะข้ามได้ดังหมายคนล้มจะข้ามปลายห่อนได้วัดป่าสารวันแห่งนี้เป็นอนุสรสถานที่สําคัญยิ่งของพระกรรมฐาน เป็นสถานที่ตั้งบุตรบกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอติธาตุของพระบุรพาจารย์คือท่านพระอาจารย์เสากันตสิโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตโตและพระอาจารย์สิงคันตยาคโมเป็นประดุลมหาวิทยายลัยสงฆ์ชั้นเอกสำหรับผลิตพระฝ่ายอรัญวาสีคำว่าบุรพาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เกิดก่อนเราท่านสอนเรามาก่อนจึงได้ชื่อว่า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 เมื่อสิ้นบุญบา ร, รมีของท่านอริยกวีอ่อนก็ตกทอดมาถึงท่านพันธุละซึ่งเป็นสะธรรมมิกของท่านจากนั้นก็มาถึงยุคพระอุบาลีคุณูประมาจาร์จันศิริจันโดท่านบริหารจิตการพระาศาสนาทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระพระอุบาลีคุณูประมาจาร์มีสิทธิสำคัญยิ่งสองรูปคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วน เป็นผู้ชำนาญในฝ่ายคันทะทุระหลวงปูเ่เสากันตสีโลเป็นผู้ชำนาญในฝ่ายวิปัสนาทุระและหลวงปูเ่เสานี่เองได้ลูกศิษย์องค์สําคัญยิ่งเป็นกําลังของพระพุทธศาสนาฝ่ายอรั ญ, ญวาสีคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอุบาลีคุณูปรมาจารย์ท่านเป็นพระเถระที่ครบเครื่องในสํานวนโวหาร ท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญเป็นนักกวีนักแต่งกลอนแต่งโครงอ่านแล้วฟังทราบซึ้งถึงใจเรายังจำไม่ลืมเลือนบทกลอนนั้นเป็นภาษาอีสานว่ากรรมฐานโจกแจว้วแถวถ้ำบ่เตืองตอกรรมฐานพวมั่ขี่ให้หมูเหมน็นเขาก็ลื้อมันแล้วกรรมฐานหมูเทือนได้อาหารอิ่มท้องนอนมุ่งนางถ้ำ อัศจรรย์ปลาไหลลดลาดนาอนาฏหนีาานาน้หนายว่างตมผู้เป็นสมสืบว่งบะมัวคำแปลพระกรรมฐานหลอกลวงโลกไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้แล้วไปประพฤติเสียหายคนเขาร่ำรือว่าเป็นพระกรรมฐานจอมปลอมฉันอาหารอิ่มท้องแล้วนอนเหมือนหมูไม่สนใจในวัตถปฏิบัติปลาไหลปลาหลดปลาลาด หน้าอ น, นาถ้ามันเบื่อหน่ายในโครนตรมผู้เป็นสมณะก็เช่นกันถ้าเบื่อหน่ายในพระธรรมวินัยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทําลายาศาสนาไม่สามารถสืบต่ออริยวงได้ท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ชำนิชำนานในสำนวนปฏิพานโวหารเป็นพระอริยบุคคลหาได้ยากท่านสอนเป็นบทกลอนไว้ว่าแก่โบตกฆ่าพกเจ้าไว แก่บอดาค่าพกค่ายามไม่ซกมกมีหกพังากระปอมกาแลนขืนมือละห้อยกระป๋อมน้อยแลนขืนมือละพันทำแปลถ้าเราแจ้ใจของเราไม่ได้เราก็จะแบกปัญหาติดตัวไปเรื่อยก็ร่างกายของเรานี้มีอารมณ์ต่างๆวิ่งเข้อออกอยู่เสมอๆจิตใจเราจึงดิ้นรนกวัดแกว่งหาที่ยุติไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่จิงก้านสาขารากใบ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 คิดจะหล่อพระที่วัดบุรพารามจึงส่งข่าวให้หลวงปู่มั่นทราบท่านจึงประกาศว่ามหาพุทธเขาจะหล่อพระไว้กราบไหว้ใครมีอะไรก็หามาช่วยเขาหลวงปู่มั่นได้ส่งเงินมาช่วยถึง500บาทสมัยนั้นหล่อพระองค์หนึ่งใช้เงินเพียง 2,000 บาทแต่ตอนนี้พระที่หล่อนั้นไฟไหม้เป็นหมดแล้ว เรานี้มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องร่างกายพอวันโรคหายก็มาเป็นโรคกับเพาะลำไส้ไม่เป็นโรคอะไรในอายุห0ถึง65ปีหลัง65ปีมาเป็นโรคเบาหวานก็ได้เตีพลงอนิจจังยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกรรมชีวิตทุกชีวิตมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่า สทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งถ้าเธอทั้งหลายจักทำหรือกระทำอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้จะเหาะนีไปก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เลยทั ญ, ญชาติทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ธาตกรรมกรคนงานคนอาศัย ล้วนพาเอาไปไม่ได้ทั้งสิ้นจะต้องถูกละทิ้งไว้หมดแต่บุคคลใดทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั่นแหละเป็นของของเขาและเขาจะพาเอาก ร, รมนั้นไปอันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดี สังสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในภายหน้าความดีทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าดังนี้เป็นต้นพันษาที่ 47-48 ถึงพุทธศักราช2 5 3 1ถึง2532จําำพันษาที่วัดวะผูกแจ้วตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวัดแห่งนี้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 มีความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องนำประโยชน์ของสมาธิไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,532 ถึง 2,545 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 90,000 คนวัดวะปูุเจ้าจึงจัดเป็นแหล่งพัฒนาจิตที่ถาวรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ด้วยอาศัยบุญญาบารมี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 ถึงการละสังขารว่า78ปีเตรียมตัวได้ชีวิตจะต้องสิ้นสุดต่อมาแพทย์ได้วินิจฉัยว่าท่านเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอในขณะที่ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล น, นั้นท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาอาการ32เพื่อใช้พลังกิจรักษาตนเองควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์ก่อนมรณภาพ ท่านได้พูดว่าเราพิจารณาดูแล้วปอดของเรามันพรุนไปหมดใช้การไม่ได้แล้วจนในที่สุดท่านถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2542รวมอายุ78ปี3เดือน7วัน5 7พ0รษาดังที่ท่านพยากรณ์ไว้ ในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2543าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร ม, มราชินีนาถเสด็จแทนพระองค์เพื่อพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพุทธณนะเมรุชั่วคลาววัดป่าสารวันในงานนี้คลาคล่ำไปด้วยสาสนิกชนพุทธบริษัท อารามไปด้วยกาสาวพัฒอำมภัยพันธุ์และประชาชนผู้มีความรักอาไัยในหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยจึงนับได้ว่าเป็นพระสาวกอีกรูปหนึ่งซึ่งดำรงชีวิตแบบพระผู้ประเสริฐเป็นผู้มีปกติอนน้อมทำตนในธรรมสภาท่านจึงเป็นที่รักในวงพระกรรมฐานอย่างเช่น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 ท่านมักจะสอนสิทธ์ด้วยการยกครูบาอาจารย์องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างที่ท่านเคารพเดอมสมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจในทางดําเนินชีวิตท่านสอนสิทธ์ให้เอาอย่างหลวงตามหาบัวตอนหนึ่งว่าดูอย่างหลวงตาบัวสิยิ่งจนไม่มีอะไรสักสตางค์ท่านมาเทศที่วัดบ่าสาลวันมีอาจารย์รูปหนึ่งมารถคันเดียวกันกันกบท่านเขาถวายผ้าห่มแจยหอบไปด้วย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 ประเทศนาธรรมชมเชยคุณธรรมของท่านไว้มากมายว่าท่านเจ้าคุณพุทธท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านก็ได้มาสิ้นสุดยุติเรื่องธาตุเรื่องขันซึ่งเหมือนกับโลกทั่วไปเพราะถึงวาระแล้วต้องเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าปรินิพานก็หมายถึงตายแต่คาว่านิพานหมายถึงดับ กองทุกทั้งมวลจะไม่มีปรากฏในนิพพานนี้อีกต่อไปเลยดังนี้เป็นต้นหลวงพ่อพุทธานิโยท่านจึงเป็นพระผู้มีปฏิปทาอันแกล้กลามีศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้งแต่วันอุปสมบทจนในที่สุดได้บรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของนักบวชคืออุดมธรรมสามารถหักกรรมแห่งสังสารวัชรลงได้ มีเจติกุลกำจรองจายทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นประดุดน้ำที่เต็มแจ้วจะเทใส่เข้าไปเท่าใดมีแต่จะเอ่อล้นออกมาเท่านั้นส่วนที่เอ่อล้นออกมานั้นท่านก็จะนำออกไปเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามส่วนแห่งเมตตาที่เต็มเปี่ยมชีวิตและปฏิปทาของหลวงพ่อพุธเป็นเหมือนคำภีรชีวิต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 ศีลตัดทอนผลเพิ่มของกรรมอันเป็นบาปธรรมะชำระล้างจิตใจให้สะอาดผุดพองจงทำจิตให้มีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงแล้วจะบรรลุถึงความเป็นอิสระได้พระนิพพานที่ถูกต้องมิใช่อาตามิใชอนาตาแต่มันเป็นมิติหนึ่งเป็นสภาพของสภาวะนั้นละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธ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 กิจวิญญาณในเรือนร่างแด่สรีระที่ปรงวางในขันห้าหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพระอุปชาน้อมวันทากราบกรานด้วยผานธรรมจึงยกใจบูชาหน้าโงศพพระราชสังวรยานข้าน้อมนบทุกสถาน